ก็ต้องตั้งใจฟังหลังจากทำรักเทาาล้วก็ต้องมีการอบรมกไปมีการแนะนำชี้ทางให้กันวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องความเป็นคนเ น, นี้คุณค่าของคนคนเราเนี่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นคน แข้ขาหน้าตาเหมือเขาเป็นคนก็จิตใจนั้นอาจจะบดเป็นคนก็ได้ไม่เป็นคนก็ได้เรื่องไม่มีลักษณะอยู่เลยเหมือนกันคนเราบางคนก็พูดง่ายบางคนก็พูดยากบางคนก็เข้าใจง่ายมากบางคนก็ไ่อ่อยเข้าใจเรื่อลักษณะของคนจะบไม่เหมือนกัน เขาี่เห็นได้ด้วยสายตาของง่ายๆเดียบางคนสูงบางคนต่้มบางคนก็ดําบางคนก็ขาวเป็นอะไางน้าตาแข้งขาแทนคือการคือกานลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนี่ก็คือการบางคนก็ว่ายากบางคนก็ว่ายงายบางคนก็หนีบางคนก็เร็วบางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนเนี่ยเพราะว่า หลักเสน่หจิตใจบู ร, จรุษกันคนไทยคือว่าให้รู้จักคนจริงๆแล้วก็ให้รู้จักคุณค่าของคนจริงๆคนที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องธรรมชาสตร์เกิดกับค น, นก็ต้องเป็นลูกคนมันก็ต้องเป็นคนแต่จิตใจนั้นเลวทรามหมู่บุจักด้วยสักคนเนี่ยนะคือว่าคนเราเกิดขึ้นมาต้องรู้จักว่าความเป็นคนให้รู้จักคนเป็คนแล้วให้รู้จักหน้าที่ของคน รู้จักหน้าที่ของคนก็รู้จักขลุบรู้จักขลุบคณรู้จักบุญรู้จักคุญรู้จักบุญคุณของตัวเราก่อนตัวเราเป็นคนก็ต้องรู้จักบุญคุณของตัวเราก่อนถ้ื่เราไม่รู้จักบุญคุณก็ไม่รู้จักตัวเราไม่รู้จักตัวเราก็รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ล้วก็ตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่เร รู้จักตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่แล้วมั้งครับรู้จักยึดบุญของประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องขุนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และติวาไปด้วยกันเราเกิดในเมืองไทยเป็นคนไทยเป็นชาติไทยสันชารไทยเปนประเทศชาติบ้านเมืองเขาเปลี่ยนสิเรู้จักบุญคุณก็ ร, รู้จักตอบแทนกั น, นจริว่าเป็นผมนันงนี้เราเกิดมามีชาติชนาพุท บางคนก็มาหมวดเป็นเนรเป็นพักบางคนก็เข้าวัดยันสิ้นรักษาสิให้ฐานกันมให้รู้จกักคุณค่าของพระพุทธเจ้าถ้าหากเราบม่รูจ้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าเราก็บม่ได้ตอบแทนคุณของพระพเจ้าถ้าเรารู้จักบุญคุณของเราคนมันก็ บ, บรูจ้จักอะไรรู้จักบุปคิสของเราที่ทก่อนคนมันบุตรสวยใช่งามเมย์แทงขาหน้าตามเท้าเมียง แต่แ้งขาหน้าตามีอเข า, งงานนดังงามก็่นี้เร่องามกว่ี้ก็ต้อเอาจิตใจจิตใจดีจิตใจงามคุณนี่เป็นวิวคนวางคนเน้่นหน้าตาแข้งขางามสดสวยดีก็่จิตใจเลวสามคนนี่เป็นวิว่าน์ทีจักคนการเรื่องคนเขาต้องดูผลให้เห็นผลให้รูาจา้จักพ้นคนไว้จะว่าเฮามาบวชเป็นเนมเป็นพระที่มาจําเสิน มาปฏิบัติธรรมต้องรู้จักคนไม่ต้องรู้จักของรู้จักคนแล้วก็รู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติตัวของตัวให้เป็นคนคนนะ่ึงเลือกคัดจัดหาได้ถ้าหากเลือกเอาโบได้จัดเอาโบได้กับโบใช้คนมันมีผลที่จะเลือกเอาโบได้เท่นี้มีรู้จักดีรู้จักชั่วด้วยรู้จักจะดีอันเดียวกับบแม่ยรู้จักจะชั่วดียกว่าบนเนี่ยควรจะให้รู้จักทั้งดีและชั่วเป็น พอแม่คูบาอาจารยกวาเขาเต้นมาเขาไปห้มาเนี่ให้เหลือยหน้าเหลี่ยงดังเหลือยงใต้เหลี่ยขัวไปอันนี้มันเป็นคพูดเหลือยหน้าเหลี่ยหลังก็เหลือยงข้างหน้าเหลี่ย้ข้างหลังเหลือใต้เหลี่ยงหัวก็เหลือบตัวเขาเหลยบนหวองเขาาาเหลใตเหลือัเหลหน้าเหลีังเหลือไเบื้องหลังเขาทาดีมาแล้วเรื่องทำชั่วมาแล้วเขาจะไม่อยากว่าเราเหลือยหลัง เขเกิดมาเนี่ยเขาให้อย่างเดียวหัวใจเหลือไข้างหน้าเนี่ยก็มีแต่มองไปทางหน้าที่อยากไต่ดีเหได้เห็นกลุ่ตัวของเขาเหได้เห็นคนทมผิดของ เ, าเนนขงเาเขก็เลยหัวใจผกก็ได้แก้ปัญหาเหลือทายเหลือขวัญเหลยอเบื้งคนกําลังมีอยู่เป็นอยูกําลังเราให้เราทําอยู่มันทำผิดทำผู้ทำดีทำตัวเราจะได้จากคนเดีวยวทายนเัญเยวะเป็ น, นตัวเราหัวใจแล้วก็เป็นคนเลือกทำอแต่ที่มันดี ที่เรื่องบุรีกับบุษบกเป็นคนแล้วก็รู้จักควมเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของคนไม่รู้จักแล้วก็ต่อแทนตัวเราตัวเราไม่ต่อแทนตัวเราได้หมดทันทีหมดทันในเทวดาหทเหนี่ยมาให้ได้เหาเนี่ยของเทวดาเองแต่ไม่รู้จักแล้วรู้จักมุมคุณของพ่อของแม่ของอายของน้องของหมูของเพื่อนพ่อแม่นี่หักลูคนเรา มีกับลูกตาสมมุติเอาคือมีลูกผู้เดียวเห็นพ่อแม่สองคนมีตาซี่สาลูกผู้เดียวมีตาสองตาเกิดขึ้นมาสาบอดเมื่อลูกเจ้าวนื่อกับท่านมีตามาใส่สองตาดีที่ไี้เป็นเจ้าฟ้ามาหากแต่ที่ดีที่งามหนึ่งพ่อแม่ยกตัวสาให้ลูกเอาตาพ่อตานึงเอาตาแม่ตาหนึ่งซักมาใส่ตาลูกสองตาพ้าวมีก็มีตาเดียวกันนี่จิต หลักรกอยากให้ลูกดีแต่ลูกนี่เกิดมาบางคนพ่อแม่สอนบ่ได้เป็นอย่างที่พวกฟังเมื่อหาว่าพ่อแม่บ่รักบก่แทนตัวเองนี่เขาใจ่ผิดแค่นอันี้เราได้ขนนิ่งน่ไม่ขนเลยแต่ขนรู้แต่เไ ด, ด้ขดนรู้จักเคารพนักขุนพ่อแม่พ่อแม่ในเรื่องมันจะเจตัวเล็กๆส่นเขาส่นเกยจะตายจากกั น, ก น, กนไปแล้วแต่ มื่อตายแลยคุณ เ, เหี้ยจะไปให้บุญหาพ่อหาแม่อันนี้มันเป็นเป็นยูนิฟู่ดรู้จักคารลบูรู้จกัจกนับถือนะนะอันนี้มันเป็นคนนี่ตัวก็เป็นคนก็ิง่ได้คนรู้จกักคารลบถือแต่เรื่งนี้ไม่เย็นว า, างก่ะเจ้ารู้จักคนไม่รู้จกักคารลบถือพอ่อแม่ก็รู้จักคารลบถือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดแนะนาให้ผมหุ่นผมห น, น, นึ่งผมสลัดทำอีกเรื่องที่สองสักคนที่รู้จักบุญคน เู้คนสาัน้จริงๆคุยรู้จากคนรู้จักคุณคาของคนเป็นคนรู้จักย้แต่หากว่ารูกแต่ว่าโบได้ปฏิบัติตามอันนี้เอามาเล่าตัวต่างชาวคนรู้จักเขาเล่นมาเือขารุก็ถือตัวเขาพี่แหละเล่นเขาเล่นาถือพอแม่เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่เป็นทางเขารลพอแม่เขาที่ซื้อไเนี่ยแต่เขาลบเพื่อนฝูงเขาที่ขึ้นไปี่นเรืนองรู้จากหลอคนเป็นคน รู้จักงานทีของตนและรู้จักปฏิบัติงานทีของตัวเองเป็นไรไม่รู้จักกับเป็คนรู้จักขเรไปได้บ้นมรู้จักบุญคุณของประเทศชาบ้านเนือประเทศเฮานี่มันมีเจ้ามีนายยุคเดียวไปได้แล้วก็มีฟ้ามีงานคณะหาบูรู้จักกากับบทกคนจริงน รู้จักบุญคุณของประเทศชาตบ้านเหนือกเราไม่รู้จักโดยในสมัยนี้ผมว่ารู้จักน้อยรู้จักเปอยากได้เงินอยากได้ซื้ออยากได้เสียงอยากได้เกียรอยากได้ยศอันซื้อเสียงเกียรติยศนันดีแล้วอันเงินทองนั้นได้กักดีแล้วแต่ถ้าหาบรู้จักไปแล้วก็ตัดไม้หป่าเนี่ยเมื่อแม่แรงมากกบ่านี้อึดมากก่านี้นีแสดงว่าเผมรู้จักประเทศชาตบ้านเหนือก รู้จักข้อลบกฎหมายไหมครับกฎหมายบอกไว้แล้วงานโลกค้อลบนุญคือเพื่อแสดงว่าป็นคนมีคนเพื่อแสดงว่าลักศาสลักศาสนาลักธรรมกษัตริย์โบเมนว่าจะซื้อคนลักศาสรักศาสนารักธรรมกษัตริย์รักประเทศชาติบ้านเหนือกว่าตอนรู้จักนี่กฎหมายว่าจังไรเอาฮ็ตจังไรอภิปรายรู้จักข้อลบจังวะ เชื่อภะษีอากรยังไแล้วก็ต้องรู้จักเสมอค น, น, นหน้าที่ันมีอย่างนั้ อ, อ, นนอันนี้เขาบ่รู้จักกันยืนน่ะเอารับเอาเปรียบกันยื่เนเอาโขมอิมสระลิขสิทธกั น, นยื่นแยงแฉ่งดีกันก็เลยเดือดร้อนเนี่ยเม่เดือดร้อนได้บนดินจะเห่าได้เดือดร้อนผู้อื่นไว้บนบนเมื่อคนเนี่ยมันึงบงรู้จักซึ่งทำให้สังคมเนี่เดือดร้อนนไม่ได้ถูกเพราะคุณค่าของคนวนนี้ คุณฆ่าของทันนักม้วยเงินใจให้มันไปนักจะสียจะงามนักจะเงินจะของักจะอวยจะเสียงนักจะเสียด จ, จะ น, จนุะ้มเราไม่ได้คิดถึงว่าเราทำนี่มันถูกบ่มันผิดบ่บอกบอกเลยเด้มีแ่เงินกันเยอคนไม่เหมือนบเข้าใจเมื่อบเข้าใจก็ททำผิดพุดผิดผิดผิดําคนกับตบวุ่วายความเดืดร้อนมาให้ตัวเขา เรื่องมีความสับสนเรื่องเราวรเดียวามตัวเหาและการขัดแย้งตัวเหาก็ดีแล้วมันมีขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจอ่ะคนนี้เฮ็ดจางซันดีเฮ็ดจางซเชื่อเหาบูรู้จักให้เฮ็ดได้ดีที่สุดเลยเข่าูรู้จักตัวอันนี้เ็น่ะคนบูรู้จักประเสธไดนยังรู้จักคุณค่าของประเสธได้ยังรู้จักคุณค่าของเจ้าวามหมายรู้จักเขาลดนักชีวี่ว่าไว่าอันนี้กระโบไม่ค้นเลยคนมันต้องรู้จัก ยิ่นคนบุกคือกันพ่อเดียวนีเดียวกับบุกคือกันเขาเห็นด้วยตาบางคนก็รู้บางคนก็ไม่ร้บางคนก็ว้างนะบางคนก็วานะงน้อยบางคนก็สลาดเนี่ยบุกคือกันใื่ว่าคุณค่าของคนมันคือว่อามีเยอะเลยอยากให้เราไม่จับศึกษาตัวของริงจริงแล้วคุณค่าของพรเจ้าแบบที่เป็ไหนที่จะเจาะบุญแทนสิ่ของพระเจ้ า, า, าพระเจ้าในประเทศอินเดียตรงนี้ คนอินเดียในสัปร่อเราจะมีคนไทยเลยที่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของพระพท เ, เ, เจ้าเก็ต้องเคารพพระพุทธเจ้าเสมอพระพุทธเจ้าสอนอย่างแรงเลยสอนให้รู้จักตัวเราสอนให้รู้จากว่าพอเราแม่เราเสอนให้รู้จักว่าประเทศชาติบ้านเีืองของเราต้องรักต้องแสวงหันรักแข่งแพ้เขาได้ยังไงเด็กนี่ของเห็ุเรื่องของเห็ุเกี่ยว ยังเฮ็่แสดงว่าเขาเป็นคนอัตจัณยคนมีนักปุนคนคนไม่รู้จักขลุนนักถือคนแล้คนเขาเปนวิว่าเไปตามอารมณ์ที่ซีตมากก็นอเฮ็ดต้ายินเห็นเล้าพิษที่กินเหล้าเหนื่อยวิวญาณิษโตสิลาเนี่ยวาณเล่การนันดูการเล่นเที่ยการคืนชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายเชี่ย คนงานอเลย ม, มีนางเสือนักเผู้หญิงนักเสุรานักเ ล, น, ล, น, กเลนเที่ยวกลางคืนนักเลยนี่ก็หลายข้อหลักเป็นนักทาให้จิกันวายใหเฮียนจะซื้อวดเป็นเงนเป็นพระเฮียนแล้วซื้ออกากสินเล่าเรื่องการนนนานานโอหลายอย่างที่นล่ให้รักพระพุทธเจ้าบวนบนแม่นคุณค่าของพระหลวงมดีมาที่สุดแม้เป็นผู้ใหญ่บ้านกานันก็ยกมือไหว้ แม่เขก็ยกมือไว้ยกมือไหวท่าเหลืองนี่ยโดว่าต้งแต่พอเตยเนแล้วจะาาหมากษัตรยกออกซดย่เอ้ยเ็นเพะว่าเหนหลวงกันได้เขาจะซืเด้งกันได้ยกมือไว้นี่หืว่าท่าเหลืองคุณฆ่าของท่าเหลืองสี่มากคณค่าของเขาได้เจ้าสี่มากท่าเหลืองซื้อเนี่ยเขาจะไได้ยกมไห้ได้บนแมยืนตามถนนทางที่ามตลาด เลือกยืนขาเจ้าบอกเลืกคนไทยก็ซาปู่ยังไงจัายพระเยอะนะแต่ยังได้ยกเด็เขาเจ้ายกมาให้คือยสิคนมาแปะแค่คนยังไี่เขาเจ้ายกมาไว้เลยเมื่อเขาได้ถามหน้าที่ของเขาแล้วตั้งใจบอกดูดีถ้าหาเขาได้ทําหน้าที่ของเขาตั้งการแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักคุณค่าของพรกเจ้าเขาต้องศึกษาเรียนรู้จักคุณค่าของพระเจ้าจริงๆถ้าหากทุกคนรู้จักคุณค่าของพระเจ้าคุณค่าของพ่อของแม่ คุณค่าของเอจา้ามาคาเตอร์เป็นต้นธรรมะของใจคนว่าถ้าหากเขามีธรรมะของใจแล้วที่ใส่เขายอดร้อยมันมีคุณค่ควทุกความเดือดร้อนนั้นพอเขาะจะโตเฮาเ่ยด้วยรู้าจากคุณค่าของคนรู้าจากคุณค่าของคนเป็นคนรู้าจากหน้าที่ของคนที่จะเอาไปปฏิบัติใเองเพราะว่ า, าคนเนี่ยเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็นได้ เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพระเรื่องคนก็นได้คนนี้แหละอย่างนั้นพระเจ้าเกิดเนกะิดในประเทศอินเดียคุนเกิดกลางดินนนอตายกลางดินตัดกระรู้เตนมพระพุทธเจ้าจ ก, กับกลางดินนี้เองเขาเข้าใจวใจ่าไงคไ่ได้ไปเกิดในนสวรรค์สันฟ้านี้ยไม่ได้ไปตายในสวรรค์สันฟ้ า, านนมั้ยนิพพานล้วก็ยังอยู่สวรรค์สันฟ้าเดินยื่นตัวเหานี้เอง พ่อแม่เคายาว้ให้ฟังคนทุกคนสุกเยี่ตัวเขาเนี่เองเยี บ, บาเนี่ตัวเขาเองแต่หักบุญหักจักรพราวะันอยู่งในอนกนรกเยในใจพระนิพพ า, านคาอยยึดที่ใจ อ, อยางเขายึรู้จักรแม่หักหักจักรเราีปฏิบันพูดบอมัูแล้วของบุญ ห, นะนะหัจักรภาโลกุตระโลกียะเน่งสวรพานมีนเนคเดียวกันนีมสวรรค์ ก็ขงคงสบายสุดใจดีดีดีพยายามมีสุขสวรรนตเพราะสระดีเนี่ยมนุกยยินใจมนลษกก็ือคงทุกข์นี่แล้วโเดือดร้อนความสับสนยุ่งวายคิดแล้วมีแต่ทุกข์เข้ามาทับถมจิตใจของยัยเนี่ยเป็นมนุษยกันนิพพานเหมือนนิานคือขงคเห็นแจ้งรู้จี่แก้ไขปัญหาตัวเองไรแก้การขัดแย้งในใจของที่จะเบ่งจิดเบ่งใจขา มันเป็นพานอยู่ที่นี่เยนิพพานนัคือคนแบบทุกได้เป็นวคนรู้จักงาน้างกินเีินคนมามาค้ามากค้าถึงเปนวะคนมาเกิดเป็นคนนี่คล้ายคล้ า, ลาของมาค้ามาขายคนมาคนค้าขายเป็นได้กำไรคนบางคนค้าขายกเป็นกับขาดุนแม้เขาจะจ้างเขามีสติมีปัญญามีขมเฮไปเป็นผู้จัดการบริษัทห้างร้านบริัห้างร้านบางคนก็ขาดถุนยักเยินไปนด เ, เล่นไปเลยบริษัทห้างร้านบางคนก่อนได้กำไรไปเลยนะท่านแต่ว่าเขามาวาดให้รู้จักจริงถ้าให้เขารู้จักจริงเราลา บ, บากเลยมำบากที่สุดเพราะว่าเขาทีเนน่เป็นคนเลยล่ะเป็นคนอักขจรเขาที่รู้จักคุณค่าของคนให้รู้ว่าเป็นเรื่อนพระเวลาโอ ก, กาสมันดีแล้วเอาศึกษาดีแลยเขาไดยรู้จักเป็นแบบรู้จัก เราเริม่มเป็นมาบวชเรียนนักธรรมจีนักธรรมโ ท, ทนักธรรมเอเรียนเป็นอหมหาแล้วนารียจากพรธศาสนามาเรียนแ น, น, น, น่เรีนยนใต้โลกเรียนป .1 ป .2 ป .6 บอกรรผบก็เคยเข้าเรียนเป็นมือจักเรียนได้เป็นนักยนนนักขยันสองเนเป็นมห า, ราออปริญญาคน่ะปริญญาจีปริญญาโทปริญญาเอคนละ มันเรียนรู้ื้อได้ห่ก็ได้อามาใสา่เนดะ้บางคนเรียนมากหลยคิดโดยทีจะหยุเป็นบาปเพคิดจะมีเลยความคิดเรมันทัท้ดีใั้งชั่วที่ว่าเขามาอยู่ ท, ท, ไไ ท, ย ท, ที่นี้นมาปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติตัวเขาจริงๆต้องเอาไปใช้กับชีวิตเขาจริงๆอย่างาเย็นก็คือการมาปฏิบัติธรรมยาเอพตกดมันหิวถ้ากัโวลปฏิบัติมันมีประโยชน์หนึ่ง โคเล็บออกมาใส่มาก็มีประโยชน์นย่างนี้ยบ้เรื่องโคล้วดีเลยโคเล็บปลอดภัยปลอดโบได้เยนะแล้วยินในคุบาอาจารย์น้อยฟังพระติษาโาภิลเรียนรู้พระไตรปิบแท้กรางนะพระไตรีิบกมีลูกติดลูกห่าเป็นร้อยเป็นพันกตรแสดงธรรมที่โดคนยงยองสมเหเลยถ้าหากพระติจาภิละมีวาผิ ก็โลก้าคัดทางเพราะว่าย้านสูงของข้าเจ้าไปสอนลูกศิษลูกหาได้เป็นพระอเนกมกคลเป็นพระโสดาโตนเป็นพระสกีสาคาพระนาคาเป็นพระละหันคนนี้เะตัวเองนั่นแหละบวได้เด็ดเดี่ยีังมีเจ้ามูเทศสนนี่สิไปเทศแต่คนได้หนึ่งคือเสี่ยมกาวาเขาลบนมถูกนมาเป็นคู่ผู้แต่งสรรพเยอะมีผู้ใดทีกล้ามาโตเสียงใดในว่าจะ สมนั้นคมาให้ฟังบันี้จะได้ยินพระเจ้าน่จะไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าจีไปโตเสียงพระพุทธเจ้าน่เนียนีการแสดงอุทิีนไปกับพระพุทธเจ้านพอรีไปถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าอ่าเขมาหลับตามธรรมดาแล้วก็กล้ากล้าปกติพระสงฆ์เขา้จ่กล้าไม่กล้ายักล้ากาักตักอยู่ในพระพุทธเจ้าประทาบ งานไม่ร well, right? ู้ในลานเปล่าในลานไม่มีตัวหนังสือในลานเปล่าก็เลยคิดได้เอ๊ะทันใหมเล้อม้ากล้ามาวัดทั้หเรื่องลานเปล่าให้เรางอนกัเลยก็เลยได้ไม่ได้หาว้าก็เลยวากันลงกันเยนการศึกาไปเรื่อยๆดยไม่ได้เป็นฐานในธรรมะเลยเพราะว่าเลยเลยเไม่มีปัญญาที่ถามมาคจ้าวเลยคิดไปเปเรือื่นที่ถามไม่ได้ก็เลยคิดโยน ตอนนี้เพิ่งตอนเย็นนะก็เลย ข, ข, ข, ข, ขี่กับวัดจริงก็กลบพอเจ้าจริกลับที่กลับบ้านขี่กลับมาดูการสีเป่าด้วยเมื่อไปทางอิสานมาไปหลั ง, ล เ, เ, งเปล่าไม้ขี่กลับึ้นมาเจอเอ็งกับสีเปลาอีกทีว่มีตัวไหนตีว่ามีคนค้านีันงเรียนพระใจจิดกเป็นแทกสารเรืนะ่คุณคานเนี่ยไเ็รว่าคุณค่าของคนมันม่แล้วยกับกลมยยึกับการกระทำกันเลกลับึ้นมา คึับคืกรรมฐานลูกศิษย์กหาดักเรงกรรมฐ า, ามนดักปฏิบัติกรรมฐาน ถ, ถามไปเรื่อป็นพระรามครับมามาที่รีสอไม่ไปคบออกกับเนะื้อแล้วไม่ไปคบออ ก, กับลู้ิของท่านเองถามต้ถามใต้เนนรียนเอนกรรมฐานอาจารย์เรียนวาสอนได้ครับ้าอ า, า, อ า, าอาจารย์ที่คร่วฝั่งขนผมลดน้ำลดทิศคืนคำาอาจารย์ ลดมณะลดทิฏิผสอนไเมื่ออาจารย์ที่ลดม น, นะลดทิฐิทางาทาาเ ด, เ ด, เ ด, เดแต่ลเมินจึงนให้อาจารย์ได้แเด็สอบได้แตเ็เพนว่าอันใดให้อาจารย์เชื่อฟังต้องปฏิบัติตามคำของผมด้วยครัเออเออเงียน้อยก็สอนให้เป็นไรสอนในขนาดนั้นก็จีนเนี่ยนไม่หลังว่าิที่สอนให้สมุ จ, จะอะไรจเกียงที่าอาจารย์จมาให้ฟ พระติลลาโคติลลานี่เขาเอ่ยเนะพระโคติลลาบลานเต้าวันซึ่นว่าโคติลลาบาเต้าจึเป็นพระโตโคติลาพระตโตโมเรือาจารย์โคติลาตอนนี้ก็เลยแหาเมงนี่นะมนาะเงก็บว่าเป็นเชื่อเป็นผ้าใกล้สังขารจีวรให้ครบชุดนี่แหละไปไปหาเมงเมงก็เลยบอกว่า เอาอาจารย์เยไปเบียดน้ำนส่วนคล้ายเสือที่ของเขานี่เนี่ยติดอยู่ในนงไปที่เป็นต้นเป็นเรือลงไที่ไป้อย่างหนาวเดินเบินได้ยากงไปจนลงไปลงไปกัเปียกแล้วที่โจ้ยาขึ้นเหมืนต้องโจ้ยคาบนะ่เราโจ้ยแหวนทรานได้ร่วมกับเมนเนอรที่ยกมานะในทีิเรนยกได้ปฏิปฏิบัติตามคำียก็ลงไปลงไป่ายกับเปียกเปียกแล้วก็อแล้วก็นี้นะ พอลงไปเต้ันลงไปเตียกขึ้นมาแล้วก็ไม่ยักลงแล้วบันใจมันขัดด้วย้นเลยได้ไ่ยักลงเลยเด่นก็บอกว่าลงไปลงไปสวยงามท่วมเป็นช่อเป็นเตียกมัเป็นเต่งเป็นกตื้อขึ้นมาพอแล้วได้เหยพอแล้วขึ้นหาคาบอรเด่นยอกให้ขึ้นมาอย่างคืนเด่นอกให้ถึงนตะบบขึ้นเนขึ้นเบาะขึ้นมาล้วกมาอ้าวเ ภาวน้สังกรรมฐานที่ภานทั้ก็รู้จักเลยจอกให้ครูบาอาจารย์จอัดเสื้อผัดผ้ามาของบุจักเหน่อยมาให้ฝอาทีวอกให้ัเสืั้าของาสมาสังเปียบกับจีบอกันสอนคือบอกว่าที่สอนคนที่ปัญญาที่สอนอันจีวุธ้จักแล้วะเปนไวฝาัดเสื้อผัดผ้าอนนั้นเป็น่ัเสผ้าแต่เปลียเสผ้ามากรมาสอนไหนึ่ง มอใครอาการนี่สนโอนตุมยีเอดยู่ห้าหวแล้วก็มีเออยู่ไหนตั่นี้ตัวนี้นาจะให้อาจารจักเลือดมาจักได้บดยดีเลยพระเลนรูแตกบาหมืนี้หักมให้จักซปื้นโอ้ยเลียนจงาแข้งหัดเลยได้ยังไครับอัจุ่นมีเลห้าหัวตุ่เือมันต้องออกมาหายใจทางนอกท ใหอเราอัดกดหูอินที่ออกมาบ่อยมัน pues mm ออกมาบ้างเลยหูออกอย่าบ่อยกับบออกนะอัดไปห้าหูแล้วกันมันั่งนปากหูให้เกี่ยรค้อนตีเอาไว้ี่จะออกมาจับออกมาได้ก็ยังนี้งในปักหูแล้ก็ออกมาใร้เกี่ยพค้อนตีเอยไว้ที่จะกระจับเอาโลดเลยอันนี้ก็คือกันนะครับเราต้องปล่างมาเนื้ออายัดสัมผัสปิตาหูจมูกนี้ไายนั่งขาดใจทีเดียวใจมันคิด ใจมนเป็นตูคิดใจอย่เคุกนนรู้เอ้ยังดเลยมาคนนี้นดนนนได้ผลเร็จเป็นพระ เ, เก็กคนนึลเพราะอาจารย์แตะาสในปัญญานี่เป็นวาการฟังต้องฟังให้เป็ น, แ ล, น, นปสสแล้วก็นาไปสักบแบไม่ไ้ังเล่นเอาทิ้งไืมไปโบนเมียอะไรัน่เนเนนาเ้ยเขาต้ตงเลิกหลาจากคนทำส่วนทุกประเทณีเมื่อพายามจเลิกราชการทำเชั่ทุกประเทณี ล, ลาากการา ใ uhm. ครๆาือออกขี aint, brasile, now, érer, ers, now, ้เป er, so ็ดต่ลงขี้ใจอยแล้วออาขี้เป็ดต่ลงขี้ใจมันที่ดีบอกมันกำล่งเพิ่มหนึ่งอีกหนึ่งะทำดีแล้วทำเชื่อทำเชื่อแล้วทำดีทำดีทำาตัวอยู่หนึ่งเลยทำเพื่อดีอันเดียวที่จรงนี้เอาแต่ละแต่ลงของตัวออาไปัก็สะอาดขึ้นมาจริจิตใจเขาก็เคยจำเดี๋ยวดีแล้วใจมันคิดร้ออันของยาเขาบวชเคยดึกจิตใจมาจัดแต่เขาอยากดี แค่ขอราเข้าใจว่านี่นั่นคือหนังของผู้ว่าจัดจริงนะการทาวัดเวลือมนมนการเศ้าตอนเย็นก็คื อ, อ, อกันพอมาขยับอกงกันทาตรงเข้าใจกั น, น, น, นได้ขึ้ขเนเลยเพื่อมาให้ารอบจิดเป็่นเครื่องเปลนจิตใจตอนเศราไม่ดีก็ทงานส่วนขยับอกงตอนทำเย็นแกไปทำชัวรู้จกักเขารดนั่นคือพอเมือรู้จกักเขาลดนั่นคือบ า, อ า, ายใรู้จกักเขามมนัรนอเปิดสายบ้าน เื่อจากเขาลดระดับสินค้าของของพระเจ้าจึงจะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระยนผลได้เสมออาแยที่ผมไดให้ข้อคิดใจใเปลี่ยนจิตสับใจมานี้ก็เห็นว่เป็นธรราแล้วท่านบอกว่าพวกเราทุกคนมานั่งอยู่ที่ขออ้านเป็นของพระเจ้าและขออ้างเราเนของพระธรรมและขออ้านเของพระสงฆเปเครื่องเปลี่ยนจิตกับใจของพวกเรา ไม่ตกเราได้แต่จะดีเพกาติแบบสอามพระธรรมอ่ไหนเพราะคุคาของธรรนั้นห่อใจของเราอยู่การจัดทกนี้ออกไปให้หมดย้า้สุเกิดขึ้นภายในจิตใจรูปล่างหน้าตาแทงขาเมไทยเลื่อยเสียงานาสามตาให้จิตใจมันเกิดมนงามให้จิตใจมันนี้ให้ไคนที่แท่งขาหน้าตามย์เข้าเสียงานจิตใจน่เหมือนเสียจเป็นแบบยิ่มีลยาจะกระตอกอิสระคนตัวของคน สองทุกคนก็เป็นเจ้าประสบพบเห็นเอาจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคใสจิตใจว่จวจวจวางใสสามารถงางเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภาในจิตใจของทุกทุกคนท่นนทำเรียก น, <Okay. S 1> นก็ทำจนตั้เพื่อเป็นวิธีที่จะมาเา่าเรือมาวา่าธรรมะให้ตวกเฟังธรรมะนีเนี่ย บางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจเพราะเราบปศึกษาตัวเราเราไปรู้จักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเราไม่ได้จับตัวเราควบคุมตัวเราหรืควบคุมที่ไหนควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมจิตใจปฏิบัติธรรมต้องรู้จักกายรู้จักวาจารู้จักจิตใจเปนไง แต่การควบคุมนี่นคือควบคุมร่างกายมันลูกเด็กเน้อปวดท้องถ้าโรคทางเรื่องเนี่ยเขาควบคุมมันได้ยากหรือว่าอาจ่ได้ก็ได้มันต้องอาศัยหมอเลย เ, เรื่องจิตใจนั่นแหละเรื่องควบคุมจิตใจมันควบคุมได้เนี่ยร่างกายนีย่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันเหิวเรื่อง ใ, ใจเหิวใจเหิวกับร่างกายคือมันคนละเรื่องกัน ร่าง <c oughs> กายเหี่ยวอ่อนคืออย่ า, ยาไปใจเหี่ยวเสมันมันอีกเรื่องในึงใจเหีวคือใจเป็นยากใจเป็นยากอยากเป็นทางทใจนเหี่ยวือใจมันเหียว น, น, น, นั่นเขาคิตมีโรคจักรเขาจิตไปสาพาลมไปวพวกขุมโมได้แล้วนต้องปฏิบัติอย่างโคจักถ้าหากเขาคว่คุมจิตใจเขาได้เขาจะเล่าไปสเทเฮละไ ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นแหลเขายอมบ้าควบคุมไม่ได้เขาบ้าเพราะใจมันทําไปลใจมันคิดไปเองอันนั้นมันคือว่าไม่รู้จักการควบคุมตัวเองไม่รู้จักการควบคุมคิตใจตัวเองร่างกายเน่ควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากจะฆ่าไปซุบไปต่อยไปตีมันอยากเล่าสั่งใดตึ่งที่ไม่ควรเราเนี่ยมันว่ามันก็ควบคุมได้อันสุด มันง้อนมันเพียรมันหิวน้าหิวข้าวปวดอุจจาระรปัสสาวะควบขุมโมได้หลวงพ่อจะตามนาทีคำิวต้องหาให้มันกิงเืออถ้ามันปวดท้องอุจจาระต้องเตบโไปบได้อันนี้เขควบุมบได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหอปวดท้อง น, น, น่ะไม่ก็ควบขุมบได้เขาคันท่าบนบเอาอยามาให้รักษายาหมอหมอต้องมีขุรู้ถ้าหมอไม่ดีกับบ่อบ่หายถ้าหมอดีหาย ผมน่มา้จากผมเป็นโลกอันนี้นะควบคุมโบได้เพราว่าใส่หมอผมจะหาหมอเขาตรวจเซ็กระงกายในบางคนเขาก็บอกให้เซ็ตเซ็ตสหลวพอไปอยู่กับลูกกับหลานก็มีเพื่อเท่าแล้วเนี่ยเขาไว้หมอบอกเขาเนแสดงว่าหมอเขาบุ้งมาจากรับถ้าหมอเขาจากครับเป็นโลกอันนั้นเด็กเขาต้องให้ยาทันทีเัวเองผมก็ด้ยไปเหาจะมาเป็นโรค ทีแรกมันอาจจะเป็นโรกกระเพาะหรืเป็นโรคอย่างนี้นบ้วจักรมันพอเราบ้วนจักรเก็นไปนมะเร็นขึ้นภายในกนระเพาะเป็นคนไปยู่กินกระปครับคน บ, บ้านของกระปุกคุมักรบปได้หลายเืออยู่ครับไปกินกระป๋ในาการสิทธิ์มูจานไทยวัดอย่างกรวิทย์คมา่จกินอย่างบระป๋เลยนอนโซ่เมื่ออาเจียนกินน้ำไก็อาเจียนออกนักได้ไม่หยี่ตามหามนมาแลยวกปุ่นกระป๋อย จำเป็นต้หมอปกปุมมันได้คนราะนั้นอาหารเรากินกินอะไรป็นะรที่เรากินบะไร็นถ้าหมอเขาให้ยาถรงจงท่าตัดไม่ได้ใ่ไห้ครับเมื่อไ้เขาอยากศึกษาที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอความเจ็บปวดจะเป็นธรรมดาเขาก็ต้รู้จักซึ่งที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขซึ่งคือบราแก้ไขได้กัมีเป็นธรรมดากิไต่อมาผมมา ผ่ Dante, ตัดทุกในขั้นท uh, ี่สามนี่ครับอันนี้ก็อัการน่กขันแรกเนี่ยพวกคุณตีบนูโง่นหาคนเม่อกี้นั่งถือเข้ากุญแจโบได้ควบคูมโบได้ไม่ได้ต้องมีคนตีจะเลื่อนูกจะเลื่นจีนเข้ามันเป็นหลงมันบินโบได้มันแครนเข้านี่็ตัวแครนเข้าบ้านผมกินบลงหลงมันบันขึ้นมากนมันบนต้องมีคนรักษา ต้องมีสอบเนตีวเป็นหน้าทางหลักเป็นขนาดี้ในวัฒนธรรมเนี่ยคุณสบุรเนี่ยพยายามทำเนี่ยแสดงว่าควบคุมได้ร่างกายด้วยนะแตต้องอาศัยคนอืน่นอาศัยอาหารอาศัยการกินเรื่องจิตใจมันคิดโครงสร้างลำคาเนี่เราควบคุมได้เรื่จิตใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรอง่างกายปเปอีกหนึ่งก็มามาเนี่ย เมื่อคืันนี้นที่นี้นงงเนี่ยมาจที่นี่แล้วเนี่ยเมื่อวันผมในรับใจะเอาเขานขนมเขาหนมเนี่ยให้แเขาหนมนี่ยขาหนมต่ากับอมันกิไม่ถึงเน่าหน้าอกเลยกินแล้วก็จีได้เลยเประเด็ น, น, นร้อนขึ้นามาเน่าขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้อะไรเนียมาควบคุมไ่ได้เลยกันก็เลยมาหาเอามาได้เหตุการณ์ที่มันทานไปซื้อเอาติดซื้อมากั บ, กบ น, น้องแฉไม่ึ มันก็พแต่ัแหระบายเงแก้ไขต้องหาวิธีแก้ไขแต่เมื่อจิตใจดังเขาจะระเดือดร้อนมันคิดมันทุกได้เป็นกับิ้มให้ใจมันทุกไปมันเจ็บจก็พยจําเจ็บแสนพวกควบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกายต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก้ใช่รับาการศึกษาการปฏิบัติต้องฝึกขัดได้แต่จน็นื่อยท้าบกฝึกเฮ้เป็นเมื่อคนที่ตายเลยแม่ ผู้จเทศกับแดนบางคนนะลอง ห, ององห่ม ล, ลอง้เลือดลมอันี้นวควบคุมไว้ได้จิตใจควบคุมจิตใจได้แต่ใจมันก็จะมันเจ็บมันเป็นร่างกายใันจะายมันเป็นขึ้นเมื่อรอ่างกายมันเป็นเ้าแล้วก็กบปนเลวแต่วาในขณะนี้ต้องควบคุมต้องช่วยมัครักกแลกว้วพช่วยไว้ต้ช่วยให้จั ง, งจะว่าตั้งใจปฏิบัติทำมา ฮ่าฮ่าเอาที่บ้ตั้งใจปฏิบัติจริงจรมันไม่รู้เด้มันคิดเร่จะว่ารู้แล้วที่อๆนั่นแมันบ่รู้เด้เนี่ยนะวะมันเนี่ยนักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมมาได้เนี่ยผมคิดว่เป็นบ้าก็มีถ้าเป็นบ้าเนเพราะควบคุมจิตใจแ่แล้วมันไม่ควบคุมงานขายแล้วควบคุมจิตใจจิตใจมันฟุ้งซ่านแลก็เลยไปนั่งคิดงานขายอ้วนคนสมบูรณก็บก็เป็นอยางน่ะเจ้า ก็เลยคุมมันไว้ได้คุว่าคนจะรู้จักวิธีควบคุมเพราะการฟังน่ต้องตั้งใจฟังไม่ว่คือฟังมอลำดนตรีหด้อฟัง่ฉพาะว่าฟังแล้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองคุณไหมไม่่ฟังแด้เอาทิ้นวิธีนี้โบ้ไหมฟังแล้บอกระต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองเด้ะบอกยายเฮ็ดเคใครจะแก้ไขได้บอว่ายายเฮ็ดยังเฮ็ดอยนก็แก้ไขบมได้แล้วแก้ไขมได้ฟังทุกเสือ เมื่คนจะดีจะชั่วจนะต้องอาศัยกิ่นแบบน้อมตาเห็นหรือได้ยินได้ฟังเสมอตาเห็นเป็นยังไงตาเห็นคนทําดีก็มีทาชั่วก็มีให้เราฟังมาเนี่ยคนพูดดีก็มีพูดชั่วก็มีมาตั้งตัวให้เราศึกษาลงไปคิดใจการเคลื่อนการไหวของโลป ก, กายภายน้อยให้เราลู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหวของโูป ก, กายภายน้อยจิตใจมันคิด เรื่องจิตใจคิดกับเรื่องร่างกายมันเป็เรื่อง ก, กันไม่เู้าใจหรือเป่เห็นยังไงผ ม, มเห็นด้วยตาผมหลายคนนะผมจบหมนบางคนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ดีควบคมโบไ ด, ด, ด, ด้เป็นหมอที่จแค่ควบคุมโบได้จะมีแต่บางคนคิดคิดคิดคิดสับสนวุ่นวายแล้ยคิดแล้วก็เลยเอาได้หมดเลยก็มีการขับเนี้ยในตัวข้างเทปนี้บนเบราะวันนี้ เฮ็ดกดีบ่ดีบ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มบทเตานี่ยเรียว่าเราบ่มีกําลังใจเรียกว่าบู่้จักจิตใจตัวเองเท่าไหรไปเปรเนี่ยเรียกว่ามาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดกันท่าคือกันโยมคือกันต้องปฏิบัติเด็ดเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจเขาคุณเนี่ยใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คันให้รู้จักใจมันขยันขันแข็งให้รู้จัจก ใจมันดูซื้อซื้อให้มันรู้จักใจมันคิดโกดคิดโลภคิดหลงให้นรู้จักจริไหมเพ่อรู้จักแล้วจะไงเอามาใจกับเขานย่างนี้ใจคิดโกดขอกโกดขอก็เห็นอหมางนี้หอกดูซ้อซื้อว่าซื่อซื้อว่าหน้าที่ของเขาคือมพ่อแม่ให้รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ลูกให้รู้จักหน้าที่ของ ũ, ลูกคูให้รู้จักหน้าที่ของคูผู้สอนมักเรียนจะต้อก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองมักศึกษา อาเลขอากหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาในผมถามเรียนปหน่งถึงปหกเรียนมัธยมหกไม่ได้เราเป็นนักเรียนอยู่นะเันได้ให้มีครูมาอาจารย์ควบคุมตกลงเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาแล้วบ่ได้ควบววคุมรแบบักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ไดได้ได้ขบเบื้องอีได้แค่เนเป็นบ้าอยู่เลยอีได้ควแบคบุมตัวเองได้บม น, น, นั่นแหละเพราะว่าเดินมกแก้ตัวเองแบบเธอสึกหักไว้ ชอบเขาอยากเป็นย <F> <PTSD> <life ót. S 1> ่าครับคนเนี่ยต้องรู้จักเนี่ยคมเอกสารประกอบู้จักเฮ็ดใเฮ็ดว่าะเม็นดีจริงเลยเ็กอย่างว่าใจดีจริงเลยมันเข้าข้างัวอยู่เสมอมันบ่คู้จักบุคเห็นจิตใจมันโลภมนกธรมับเห็นมันเข้าข้างไปอยู่เสมเฮ็ดนี้ก็ดีล้เฮ็ดลดีนะแต่มันคิดว่าใจดีจริงเลยตัวในบุคคลบุคคลใจเห็นตัวเราคิดว่าจะดีจริอ คนโบราณพอแม่ผู้หญิายาเดหน้าปนธรรมทานมันต้องเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลียวซ้ายเหลียวขวาเหลียวต้นตัวเองบ้างเหลียวหน้าเขาคืออะไรหรอเหลียวไปไปข้างหน้าเราจีนให้ดีบรีบบรอเหลี่ยวไปข้างหลังมันเนี่ยเราเห็ดตรนมาแล้วมันดีบอมันชั่วบอเจ้าของจ้าขอจังเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลียวข้างซ้ายข้างขวานี่เหลียวบนน้มันเพื่อนมึงเพื่อนเหตุตรงไหนเขาดีหรือเขาบนี้เขาเห็ดอะเป็นไง เหลือเบงเจเอ็กับเนียกำลังนิกำลังคิดันเ่อยปนว่าจะไให้ควบขุมตัวมันได้ควบขุมรูปอันนี้ถ้าหาว่ามันลยนลนเกินไปควุมมันได้ใจมันคิดขึ้นมาแบเนี้ควบุมมันได้เปนข่าว่าดีแล้วะการศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญและศึกษาหลวงพ่อปินี้แ่ะเ่ี่มาซอยบไานเทวดามาซอยคนทุกเพาะนั้นทุกผูรักกินผูจักใสรู้จักขาวผจัเท็จ คนดีเพราะยังไงมีเงินดัเพราะรู้จักฮะรู้จักใครรู้จักแคสเห็นว่ารู้จักแสดงโดยไม่แต่ว่ารู้จักละว่าสื่อได้พหมผมเมื่อเคยติดบุรีสู้บุรีมาสู้มาต้องแต่น้อยไปพอแม่ฝึกหัดพ่อแม่ถือ่ารู้จักหักลูกโดยใช้ไฟโมเดลเอาบุรีให้ลูกไปไฟไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องสู้ไปอันนี้แสดงว่าไฟดุบอาเรื่อง ให้ลูกเปครับก็เลยสูบยาสิสูบแล้วโบออกเป็นได้หดึเดินเท้าไปปฏิบัติธรรมะถึกผมอายุ46ปีแล้วเพราะ46ปีนี้ผมเพราะผมเกิดเดือนสิบคือกเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมะผมหัวจับเดือนแปดเดนเก้าเดือนสิบเพราเดืนสิบไปเดือเพราะปี้ผมยู่ปฏิบัติตัวของผมยืเป็นหอวเดือนสิบเอ็ดบ อย่างนี้อคปพันผมไปปฏิบัติธรรมะพันธานี่ผมรู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดติครับรู้จักแล้วผมเลิกได้รวมทั่วทุกประเทศผมเลิกได้ครับชูบรีผมเลิกได้ไปดูการเล่นเด่นกพนันฟังดนตรีฟังขับลำพำเพลงผมเลิกได้ทุกไหว่พี่ไหว้เทวดาผมเลิกได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็น ผมรู้ผมเข้าใจอย่างที่คว่าเอามาพูดเอามาสอนเอามาแมนะนำมาตักเตือนกันเรื่องมาฝึกหัดให้มันรู้ดีๆยังให้พี่มาควบคุมเขามังทีมาควบคุมเรื่องไรของพี่มันก็ไม่มีเน้ยยังให้เทวดามาควบคุมเขามาเทวดาที่ไหนมันก็ไม่มีพี่คือคนทาซัวพูดซัวหน้าเล่ยหน้ า, นาบ้า่ปเลยเขาได้ยินเรา ว, ว่าบักพีก็เป็นร่องยากเนอะเคยได้ยินบ้างไหมหรือเคยได้ยินบักไม่ยินนะ เน่ยนี่เขาได้ยิมบัดเดินได้บัดเดินาเดนเี่ยผ่าหุ่นี่มันจะเรียกว่าอผีนี่มันต้องคือซื่อๆนี่เนียด้วยเห็นจิตเห็นใจพรพุทธมลางกายเป็นนี่เป็นผีใจเป็นผีอย่างนนเอคนเราเนบักผีแบบนี้นี่ไีแบบนี้นี่ผ่าผีเดินผีอแนี้คยากคนลอยยากนี่ของเราเป้นผีผีหงผีฮาผีเนี่ยธรรมันจะหเทวดาบัเี๋ยคนเราดี เราไงาสอ น, งนไงเราไงค็อเทวดานอกแม่ถวายครับเทวดาก็าบ่มีตนเขบ่มีตัวเนาะโตคนเราายคุณไงเราไงเข้าใจไงคุณเพาจะว่าสี่งนี้คนละอ้ายแก่ใจละหายใจคุณนี่เห็นใจคุณนี่โอตระพะขวมเกเรตัวตบาปบาปคือมังง น, มนมืดเมัอนมือูุ้่จักรผิดมือหุ่จักรใจไม่โดนสอนให้มันกิดเบิใจนีอันเทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดี เมืสวรรค์บันเน่ก็คื อ, อยื่นดีดดดดกินดีอารมณ์ดีมุขเหนือยบดเดือดร้อนปัญญาพจนเอือนอ้นสวรรค์น่เองนิพพานบันเน่เสมอนิพานนนนพานคือกลัวว่สับสนโม้บวชไหวบดเดือดร้อนเป็นวาจากสติว่นนานคือเป็นประมาทกวนเขาเขาเห็นรู้เท่ารู้ทัทนรู้ถึงเหตุการณ์ของมันเป็นเอื้นนิพพานพจนเอ้อนโล ก, กียาธรรมโลกุตตรธรรมโล ก, กีญาธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกเมื่อวางโลกใดเขาเอ้นโลกีญธรรม ผู้ห้างไกด์คผู้ยงยกไกดไกด์จากในพานเมื่อที่ไปในพานเนี่ยส ม, มุดเขาคือว่าเขาโยบ้านเขาเนี่ยเขาทีไปกรุงเทพส ม, มุดกรุงเทพเนี่เป็นในพานบ้านเขาเลยเป็นโลกินาถเขาเนี่ย่ที่ไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอททนแก่มเน่ยเขาจะไปองลงลดลงอย่างเล็กน้อยนะตัวบทตอนนี้นไปบวชเขาตายข้างทางนั้นเออโลกิาานาเนี่ยโลกินาบัดนียคุณตั้งใจไปเมื่อไปบวชกรุงเทพมาในเทีน ไปเบ่งสนามหลวงไปเบ่งทุ ก, กอกทุกซอยทุกมุมว่หลักชนะของคนกรุงเทพการธรรมาหากินไปนยังไง้านะผู้จักอันนั้นหลูกไาปากทำพเจ้าวิญญาณเหมือนเพาเขาไปผู้จักไม่ไคนทุกคนต้องตอ า, ายเนี่ยพอวาันัดวรหมดเลยเดีเ๋ยวไเอ้นั์จากทั้งอะไรตายจะแท้นีนะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายก็หัวไอจอตายมดทุกคน ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยที่ น, นพรวาลคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคน อ, คนอเมริกาคนเขมรคนนวนคนลาวตายเป็นมุดในตั เ, ตอเอื้นสัจจะทำสัจากแล้วของจีงเตี้ยนแตงหมดนั้นเป็นหลานรัมแก่เ่าวที่เป็ผู้จักสัจจะอย่างที่บอกได้ไปบอไปผิดผิดไม่ได้ทำเราทําผิดอันนั้นจีนอยู่เข า, าเอาื้นโบกีนธ้ทำอันนี้ คำว่าสัจจานีหมายถึงคนตายอย่า้เขาที่สึกษาให้เขาจคนตาย่นีที่ตายด้วยความทุกข์ที่ตายด้วยความเบื่ทุกข์คันตายด้วยความทุกข์เป็นเอื้อนหลักในการทตายด้วยความเบทุกข์เนเอนหลกุตสารรมตายด้วยความทุกข์นวัตายโดยมีมีสติโดยรู้สึกตัวตายด้วยเบุ่ทุกข์ในวันตายโดยมีสติตายโดยรู้สึกตัวเป็นวจังกี่ว่าให้ศึกษาให้ปฏิบัติเปนวมีเงินลอยลานกระจายด้มีเงินกระจายเป็่านี้ เรียนนังสือจบปริญญาเอกกะตายบม่ได้เลียนหนังสือกระตายลวดกระตายเรียนหนังสือทางธรรมะาจบประโยคเก้ากระตายไมได้เรียนหนังสือกระตายอ่าความตายกัูว่าแน่นอนที่สดเขาจะสร้างความดีหรือจะสร้างขุมทรัวย์บ้างมันมีสองอย่างคนนั้นนี่สร้างความซวหรือก้าหตัวลงไปแลวเอาให้ถึงซวยให้จวันาเหาสร้างควดีแล้วก็จะเลกขุมวรัพย์เลยเลิกขมทั่วแล้วคน ชัวกระน่มาชื่อชื่อนี้เคยนำผมวานี่เนี่ยเมียพอไว้มียพอเลิกเสพยาก็เล้วชื่อืนี่นะมันจะมารบกวนที่อห่าผมตัวเนี่ยเลิกไปเล่นเบี้ยเล่นไทยเบิ้องขาเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไทยเบิ้งมาหัวลอกครบพันดูหนังนี่แล้วชื่อชื้อนี่นะมันจะให้ยังให้เ่าเห่าโคบันเดอันใจมันคิดอยากไปเลยไม่อยาให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักข้ามมันได้ไ่เป็นว่าใจมันอยากให้หักข้ามมันได้ จะเป็นเราดูจิตดใจมาดูที่ดูซื่อๆดีเด้ออันนี้จะาของดูซื่อๆมันยักไปกับฟ้าแต่เราเข้าจักใจเดีย๋วยวยางานนี้สุดคนีบราณปกุมกายโบไดณปกุมจิตใจบโบรดณงานคือวให้เข้าใจตั้ง อ, อกตั้งใจเราคิดปฏิบัติถ้าโบตั้งอกตั้งใจเราคิดปฏิบัติแล้วบนนราณเลยนี่แหละจัจักแท้งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้พระสาวกทุกพระองค์ต้องรู้จักวิธีตายเราเฮาเนีทุกคน เข้าใจนกถ้าฝึกหัดมันเพราะดีองคนคนตายเน่ยพอเข้าใจแล้เพราะอายุเจสิบหกปีกำลังยาใส่ยามาตอนเศร้าให้มันตายสก้อนแม่ยัง้จไหมความตายได้มันไม่ได้ตายเลยมันหมดชื่อเลดิหลหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยาหมดทุกอย่างเดยคือตายสมมติเอาให้ฟังเนี่ยมพาของบาดแขนของบาดนี่ตับปุ๊บไม่เสีย เลือดมันจะมารวมตัวออกบางบางนี้บางทีพอเดียวเขาจครับตุ๊บลงไปรนี่มียาที่เจอใช่มเลือดมันที่ออกมาบางบานีที่กลับขึ้นไปล้วคุณาครับพี่ยกลับขึ้นเลือดของทางเดิเลือดี่กลับขึ้นขอพี่บางบางมันจะออกมาออกนี้มันที่เจออย่างนั้หพที่ตายเนียเมพ่อเคยร้ายฟังเอามือไปแกะคนคุนยันข่าวพอดีเขาเอามือมันออกเอามือออกแล้วมันแบกคนคุนยมันแบงแทงข่าวมันแดเอามือกดเข้ามันข่าว นี่เป็นอคิดเป็นนันมทุกคนนี่นะที่ประสบอันนี้ทุกคนนี่นะโดน็อกเลนทั้งมัดแบบเดียวหัวกระตายโอ้วกระตายหูวกระเป็นโอู้้วกระเป็นตัวมาศึกษาหู้จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสาคัญที่สุดหนึ่งถ้าหาหัวจักอยู่นี้เนาะนี่ค่อบางคนนั่นน่ะบาคนมันคนดูหน้าตาแทงขาไม่เขาคนดูเก็ก็เป็นคนไม่เป็นลูกคนนี่้ันที่มคนก็ต้องเลือกรับจัดหาเอาได้เลือกเขา อันไหนเหมาะสมกเอาอันไหนไเหมาะสมกับโเอาเป็นไาจากนันแต่ว่าให้ฟั้งตั้ใจเวลามันน้อยน้อย่12ชั่วโมงนี้เลยเนี้ยเขามีเรียกทีงไหนเขามาบว้นเนี่ยเขาเรียกที่ไานมาปฏิบัติธรรมะนี่แลองปฏิบัติตามงานที่ที่มันมีโบเฮ็ดนี่ยปจากนัอันนี้บบเฮ็ดอย่างปฏิบัติโบเอางานงานเขาเอาเี่รหลักนี่แต่เขาบอกว่าจากบุญคุณของเขาที่มาเกิดเป็นคนนี่แล้ว มันก็เป็นคนยากเนี่ยยากแค่ไหนเรับมึงเนี่ยคนมัเกิดเป็นคนบางคนเขาทอเมฆมาแล้วตังง้งคอขึ้นมาแทออนอมตะเราทนได้ก็เป็นคนทำไมเนาตายล้วบางคนเกิดออกมาได้เดือนนึงตายไปกะนี้ให้บางคนบางคนเกิดมาเป็นลูกเป็นสาตายไปกะนี้ว่าทำได้เข้าวัดฝันทำนะวนะ่าทำบุญบัจับในนั้นอะไรนะนว่าเลี้ยวหนา้าเลี้ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเมืองไปตายกะนี้บุญบังจับทุกข์นั้ เน่ป็นไงหน้าไปเดียวหน้าเดี่ยวหลังเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเขามีทิศกี่เนี่ยทศิศทิศทางมาทำน้ำเทววัดเด่นทากัน น, น้่ได้โอ้บล่งกันให้มันดีให้ต้นหลุดลกเทาไหวเท้าเจ็บพอเมฆสดทะเลเขาขาดเหด็มันก็ไม่เป็นทิศสยายทางที่ดีแล้วคนที่ข้างเขาไปยักเห็ดแล้วแบบนี้ต่นมาอันนี้เนยพอไปเทวขึ้นสัาณดบพระเทวท่าในเทวเขาจะอยคนที่ค้ามเหมือนโบฮันดีกัน เป็นคนอับปีทุกโจ น, นหจุ่นไห้จนค้ามเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนุคนยากเป็คนคนทุกคนยากเที่ยวหาขอถามเที่ยวหาขอเข้าสุขเข้าสากเด็ดไปไสวัดว่าอารามเรือบังตาเป็นห้าเป็นหาม ห, าหายามเมื่อแหลงก็ น, นั่งคอยจุกถ้าเพิ่งอื่มแล้วเบ่งยกผักเข้าออกมาเนี่ยปาฟูกเปล่าฟังยกกัดแต่บได้หลายคือคนที่ตายยังเหลือเนี่ยคุณพอสักเจ้าพรา ะ, ะองค์มาบอหนี้ครบ่ะแล้วคนพยากามจำอะไรเนี่ยค า, านบดีเลย คนในข้าเจ้ามีกินในใครขาเจ้บุคามเนี่ยเด็กปลูเต้นไม้ป็นตอกพอเงินออกมาได้กินดูนใส่ปัดขวดเด็กกเกลี้ยงแสน็จแล้วก็าเดินหาทองขึ้เนี่ยเพราว่าจนแล้วผู้หันไม่จักเบษไม่จักหาไม่จักใส่อะไรแบบนี้บัดนี้คนไ่รู้จักหาไม่รู้จับเศ็บม่รู้จับใส่ไ่ดีรู้จักแก้หาเจ๊เจ๊เขาบ่รู้จักเ็บเขาได้อีกคัอมีคนมาว่า้เอักวางม่เห็นอะรที่ดีนะลูกหลานนี่แหละอย่าคยรัดีได้แค่ ไ่ดีหรอก่ดีเลยเพราะโบเกตต์้ลยกระจายไปให้รถให้อย่างนึงเที่ยงทุกครั้งเลยอ้าคนที่รู้จักเกตตมันก็จิได้บบ น, นั่นนะ่ะมันก็บ่ดีแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักไปพวกเขาใหู้้อจักเล็กไปน้อยมาอย่นี้คือกันต้องทำรัดสาวัตรเดนยาคารสุด ข, ขัดเาัาเขาที่เป็นคนดีควดีของเขาเร้ยกวยืดสายเขายืด่มนการขัดแย้งกับเ พ, พือ่อนมันขัดโงตัว เ, าเาขาไปที่ขดย้งแต่ทรับ คิด่ายไปเมื่อเห็นโขัดแยงกับใจ่ขาได้มาขัดแยงเขาเป็ลูกคนนี้เลยใจเขาเป็นเศษวันนี้เขาไปเยี่ยใจจากผู้หัีลหมดเลยผู้ี้หมดมันขัดแยงต่อมือคนนั้นเขาจะให้ดีบมได้เขาจะเสียสละบมดได้คไหเพราเมื่อเสียสละให้โมซัเขาม่ให้ไปเลยก็คอคนท่านนั้นอยกดี็นัเลยเขาี้ไม่้อมีกระร้างมันแล้วเป็นแนวนี้เป็นวัตถุขัดตามธารมลัสมนเป็นหน้าที่งานดีทุกคนอย่าเพราว่เป็นหน้าที่ทุกคนต้องทา หน้าที่ทุกคนเนี่ยพระสงฆ์ของเ้าเป็หน้าที่เป็นความศึกษเนี่ยศึกษาก็ที่เป็นนิตรยพอนี่เคยเป็นมิตรัสยอเศหนึ่งคุณบาทเคี่ยวตีให้มุกหนึบนอนกนอนหลังคุาจายไปเงไปเย็นไปข้าเหนี่งทั้งเวลาหนึ่งตลอดแต่จิตตื่นทั้งวาหน่มัน pues จิตตนพอดีคนกงเทศนี่ก well, mm ็ค hmm. ือคนบ้านเ้องกระจ ขดทุ่มนี่ไไดไ้หน่อยตสอบนีหน่อยไปต้นอาผู้สกโมงหรือโมงเช้าเ็ดโมงเช้าเขาก้รีไปทำงางเอาที่เอาแบบนั้นมาบได้บ้านของบัได้เขาต้องศึกษาต้องป ฏ, ฏิบัติจริงจริงเป็นวิการตนตึกตกใครยั้สึเขาต้องตั้งรียนสอบไล่ได้ดูรประวัติถ้ามันีีถ้าเรียนบรรับรรี้สวัตได้ดีจะ้ะแล้วก็หลังก็ค่อเอาด้วยแล้วพอถามสัสมัครักสมัครจักสิบคนเนี่ยจะเอาสิบคนนะคะี้ เป็นพันๆคนเนี่ยพ่อถามข้าเจ้าเนี่ยพ่อประเทศโรงพยาบาลอังกฤษกัตราทเขาเอาคนร้อยกว่าคนนี่สมัครเป็นล่นพนะุนนะแม่ที่เป็นหวังต้องจะเป็นเจ้าเป็นนายจีนเดืนเดือนหมดต้องทําการทํางานนั้นไหสมัครบรัได้กับบได้แหละก้อนเขาที่เอาเนี่เขาต้องซื้อประวัติประวัติเื้องหลังดีด้านใดช่วจังเลยเขาจะเข้าใจเท่าอย่างพอาลองฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบผุมตัวเขาครับข้าวชัวให้มันเลิ ถ้าเขาพักค้างตัเขาไม่ได้กับคนที่ล้เจอเป็นคนเชื่อควรเป็นคนเล็กนะที่วพอได้ให้คอคิดเป็นคนเปี่ยนคิดเี่ยใจมานี่ก็เวลาชมควรแ้เนี่ยถ้าที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสมญาติโยมมานั่งฟังธรรมะในนักธรรมีนี้นิเดียวนี้นี่แหละอาตมาขออ้างในองคมขอพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณขอพระตาสาวว่าเขาจะมาสมมติามาเตือนจิตสักใจของพวกเราเหาพวกเราได้รู้แจ้งเห็นส ร, ริงตามคนจริงที่พระพุทธสอดเอาไว้นั่นว่าทับทั้งหลาย เ, เราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแหง น, นั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้อันคือตถาคตนะคืออย่างคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้องใสจิตใจร่องไรจิตใจเขาเดียดสัมมาว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่ว่าโตแค้งโตขาโตเนื้อโตหนังเต้นโตจิตใจมันเต็มโตสามารถทุจรกมันิันเต็มฉะนั้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้องใสจิตใจร่องไร้ตั้งซีดลงไปแล้ว บอกภาพคนเอาจิตใจเห็นแก้งจิตใจดูดกันาดยี่ปัจหาตัวตัางเก้าลวงสาวาเดิมเหมืนว่าต้างเก้าแถวๆลองเทปมึงเนี่มันยึเป็นแถวหน้าพ่อหั้จากอะไรจึงว่านํามาบอกมาสอนพอแมเคนองลือดขาดอยู่อยากให้ทุกคนนี่คนประจักษ์หัวทุกอันนี้เกิดมาชาตนี่กระตายคหนึ่งเกิดมาสองชาติายสองถึงเกิดมาติดาตายติดเถื่อนอันนี้เป็นวิสัยทิศบนทุก คนเกิดมาแล้วว่าเาอยากใส่ไม่ที่ทนได้บอกว่าใส่เมือตะวันเห็นพลิกเกิดมาต้องสายพาไปเราจึงสอนว่าให้เันอยาเกิดเองเขาไดเห็นพลิกเห็นไทยเปลือกมาเกิดคี้ไหมติดใจไม่ได้คุมมันไว้ได้ไมอย่าพอวร้ายเลนะคุมมันอามาเกิดคุณไหนี่แหละขอให้ทุกคนทุกคนจงระสบพบเห็นอาในชีวิตนี้มนเวลาอันใกล้นี้ของทุกทุกคน